ให้เรายินได้ฟังสิ่งที่เราทำจิ่ที่เราทำเราได้ยินได้ฟังมันเป็นส่วนประกอบตับ ก, การฝึกหัดไม่ใช่อธิบายฝึกหัดจนการสัมผัสเป็นการลงมือรม ถาไม่ประคัดมันไม่เป็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เรียนรู้แบบการศึกษาสากลของโลกการศึกษากลางโลกต้องใช้หมยคิดปัญญาใช่เกรดใช่อะไรเจงในความคิดเหตุผลวยแต่ว่า การฝึกผัดไม่ใช่ใช่เหตุผลเป็นการสัมผัสเป็นดุนเป็นคน้อนของเทจของกริงเกิดการเห็นเกิดการสัมผัสกมหลงก็หลงดุนดุนมาเลยไม่ต้องอธิบายหลงไปยังไง ต้องทุกข์ก็ทุกข์ดุนดุนมาเลยไม่ต้องคิดลบอะไรมากมายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปิดปังอัมพรปัญหาเขาเขาเขาหลอกเอาไว้ก็มี้เพื่อให้เราได้คิดอันนี้ไม่ใช่หลอกศุกร์ก็เป็นศุกร์ก็ดุ น, ดนทุกข์ก็เป็นทุกข์ดนดุน ฝึกหัด <c oughs> ภาควิชากรรมฐานเนี่ยรังดูเขาก็มีฐานในที่ต้องมีการกระทำฐานคือที่ต้องเมื่อมีที่ต้องเขาก็ต้องมีการกระทำ ออกกายประเทศตัง้งจิังต่างๆเกิดขึ้นมาให้เห็นมันเป็นตลาดนัดถ้ามีสติเห็นกายเนี่ยตลาดนักแห่งความผิดความถูกเป็นคู่มาพออกันเหมือนกับตลาดนัดสินค่าทั่วไปมีทุกอย่างมาซื้อมาใชา้ เือกเอาเอาเนี้ตลาดนัดแต่งค้ามถูกค้ามผิดมันบอกอะไรเกิดขึ้นถ้าดูกายมันจะเห็นเห็นกายกายมันจะหลอกก็มีบางทีจิงเกิดขึ้นกับกายมันหลอกให้ถูกให้ผิดให้สุขให้ทุกข์ เป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติโดยเฉพาะการปฏิบัติภาค พ, พวกหัดในวิชากรมากบบรมฐานรูปแบบกรรมฐานแล้วก็เข้าถึงเนื้อถึงตัวเข้าถึงมันไม่ใช่หลบหลบลี่มันไม่ใช่ลึกลับ อาถึงทุกข์ก็ทุกข์อาถึงทุกข์ก็เห็นทุกข์าทางไมงามหลักดิสัทธิ์สีทหลักสินสมาธิปัญญาทามีสติมันก็รับความชั่วทันทีทามีสติมัก็ทาความดีทันที ถามีสติจ <tem> <fica> <lands> <st> ิตก็บริสุทธิ์ทันทีเข้าถึงแล้วความช่วยอย่างไงมีสติอย่างไงถ้าใช้หลักสติปัฏฐานตัวแบบของกรรมฐานกายเอาสติเอาสติตั้งไว้ที่กายเห็นกายอะไรที่มันเกิดขึ้น พุเจ้าก็เฉลยไว้แล้วไม่ต้องเปล่าเหรอผลายกักว่ากายไม่ใช่จัดตัวคนตัวตนเราเขาอะไรที่เป็นกลัวเป็นตัวเป็นตนขี่มาหาดูชื่อหลวงพ่อคำเขียนขีชื่อมาที่หลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่ไหน ที่ไปที่ขาก็เป็นขาที่ไปที่แขนก็เป็นแขนที่มาที่ท้องก็เป็นท้องที่อาที่หน้าอกก็เป็นอกที่มาที่หัวก็เป็นหัวเป็นขาเป็นคอเป็นจมูกลิ้นไม่เห็นหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเป็นศัตวว่ากายส่วนประกอบสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นนาม ที่เป็นชื่อหลวงพ่อมันเป็นสมมติวัญนย์หยาดไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้าเขาดา่าหลว่ความเขียนพ่อความเขียนทุกข์หรือหลวงพ่อความเขียนโกรธหรือถ้าเขาว่าหรือถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเก็บอะไรที่เกิดกับกายเป็นตัวเป็นตนไปอีกหรือมันฉักว่ากาย ไม่ใช่จัดปุปกรณ์โตตนเราเขานะเราหลงเรองนี้มาจึงเห็นเป็นการเข้าถึงหลบมันไม่ฉลาดอะไรดอกของทุกข์ก็งูกไม่ฉลาดมาแบบโู้งูกมาเป็นดุน้นเหมือนอยู่เจ้าซุกสน โยมเจ้าสุกชนพอจับปับก็ตะกะตะคามฉากัดให้ได้หนบอยดีก็ให้มันกัดสักหน่อยแล้วก็ค่อยจับปีกมันก็ได้มันจับได้มันก็เปลี่ยนได้มันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงได้ถ้ามีสติมันเข้าถึงอย่างนี้ยพราะมีสติเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว มันโชก็มีสติตั้งไวอยู่แล้วเห็นแล้วถ้าเห็นนี่เป็นหลักอริชสัจทีแล้วมีโอกาสดีแล้วถ้าเห็นแล้วก็ถ้าเห็นทุก็นี่ปฏิปทาออกจากทุกพ้นจากทุกมีไหมตอนนี้ทำเป็นไหม มรนหลงขางหลงเป็นหลงไม่มีปฏิปทาไม่ใช่หลักอริสัตธ์หลักอริสัต์ต้องมีปฏิปทาออกไปวิธีออกทําเป็นไหมกลับมาปฏิค้นกลับมาอาหารที่ตั้งไว้มีสตินากำหนดรู้นีอบท ตามวิชากรรมฐานตามหลักวิชากรรมฐานการเข้าเขนเข้ารู้สึกเหย่อเขนดอกรู้สึกคู้าเขียนเข้ารู้สึกมานี่มาตั้งไว้นี้โดนทุกมันก็ไม่ไป ไ, ไปทำอะไรมันปฏิมันคือหน้าลอกเห็นมันเห็นชัดเจนนไปนปฏิปทาออกมา อย่าไปทุกข์อย่าไปหลงเันอย่าไปทำไม่ให้ทุกข์มันมีรสชาติติหวันช่างกวมทุกข์กิเลสอะไรต่างๆเหมือนวาตัวหนังเฉยอย่าไปหวั่นไหวมีปฏิปทากลับมาหาที่ตั้งแล้วก็ มันก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากความหลงได้อะไรที่มันเกิดขึ้น น, นอกจากเราตั้งไว้ว่าจะมีสติไปในกายอย่าให้มันหลุดมันหลุดไปก็จับมาตั้งไว้หมนตั้งไข่ตั้งทีแรกก็ตั้งไม่ไม่อยู่เอาไข่ทั้งปางกลมมาเช่ยทางยาว มาตั้งไว้ ต, ตั้งที่ใดก็ร่มมาตั้งมงตั้งจต่ไม่ความจำนานทาให้มันเป็นอย่าไปเอาคิดเอาถูกข์ทไมจึงต้องทุกข์ทำไมจึงต้องหลงทำไมจะต้องคิดอะไรต่างๆไปตกคบนอนตะคกนี่ไม่ได้อย่าไปสนใจกลับมาที่ตั้งเอาไว้ก่อน อย่าหลุดไปก่อนขอให้มีสติตั้งไว้ในกายไปก่อนเหมือนต้นก็เอาลากต้นไม้ปักลงดินเฉยก่อนเวลาปักลงไปนนนะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปักเฉยๆมันก็มีอะไรที่มันยุ่งๆยากอ ย, กอยู่ตอนทีงูกัดยุ่งกัดหาอยากไล้ยุ่ง อะไรโยงอยู่ก็ไม่ได้ปักมดไก่มดไตมดกัดไม่เหมือนกัน้าอะไรก็าตามมันมีอันที่ทำให้หลงอยาปไปหลงสิ่งที่มันทำให้หลงให้รารู้มันจะมีอะไรที่เกิดกับกายหลายอย่างเป็นเวทนาสุขทุกข์ก็มี เป็นตัวเป็นตนก็มีกูร้อนกูหนาวกูปวดกูเมื่อยก็ ม, กมีมันจะหลงไปจากที่ตั้งเอาเอ า, เอาตัวเอาตนไปตั้งแทนที่ไม่ใช่ติตเป็นกูเสร็จแล้วกายไม่ใช่ส ก, กายเสร็จแล้วเป็นกูไปแล้วเป็นตนไปแล้วเป็นผู้หนุม่มเป็นคูแก่ไปแล้วพอทาเลยหน่อยเออเราเอายุแก่แล้ว ทำไม่ได้ไอ้คนนั้นอายุด่งทํำได้คนนั่นเป็นนักขวดทําได้คนนี่เป็นฆราวาสทําไม่ได้ท่านเป็นนักขวดไม่มีลูกมีเมียเพรากาเป็นคราวาสไม่ไมีครอบไมครัวทําไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นความรู้ไม่ใช่อาา้างจะเป็นเพศใดภาวะใดลัทธิใ ด, ใ ด, ว, นะใดวันใดวัยใดไม่มีอาา้าง ไม่แต่ความรู้มันจะเป็นตัวเป็นตนเอาความหนุ่มเอาความแก่มาปฏิบัติไม่ได้เอาความเก็บไข้ได้ป่วยมาปฏิบัติไม่ได้เอาการเวลามากำหนดไม่ได้มันเป็นความรู้ไม่มีอะไรของขัน้นาการิรรี่กระทไม่มีการไม่มีเวลา อยากลู่เวลาไหนก็ลู่ได้อันหลงเวลาไหนก็ลู่ก็ได้นอนอยู่วันหลงลู่อยู่ก็ได้ขณะนอนเดินอยู่มันหลงลู่ขณะที่เดินก็ได้ในเวลานั่งเวลานอนยืนอะไรก็ตามมันมาพร้องกันถ้าเราหัดเป็นอ่ะต้าไม่หงัดมันก็ไม่เป็นอ่ะแต่หัดมันก็เป็นเรียกว่าหัด ฝึกหัดเหมือ น, นเขาฝึกหัดขับรถจับพวงมาลัยจริงจริงมือแรงจริงจริงแต่ก่อนโรงเรียนฝึกหัดครูเขามาเรียกราชการเขามาเรียกวิไลัยครูเขาเรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูยังชอบอยู่เนี่ยถ้าโรงเรียนฝึกหัดเข้าถึง มันมหาหัดจริงๆวิไลวิทยาอะไรมันเป็นวิทยาการปริญญามันลู่โลกไปเอาผลมันเป็นภาคปฏิบัติลู่โลกนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติเป็นปริญญาเหมือนกาชจำนานจำนานในความรู้ ก็มันหลงก็ชชานาญในความรู้เพราะมันปึกหัดเราก็ชํานาญทางไหนกันมาชํานาญทางหลงชํานาญทางทุกทํานานทางโกรธทาดานทางพอใจไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นก็พอใจไม่พอใจไม่ชํานาญในทางนี้ mm hmm. ก็ไม่มีปัญญาในทางนี้ แล้วก็พระเจ้าก็บอกไปแล้วกายสว่วกายเออาตาปิสัมชาโนสติมาวิระโลกเจอภิชาโทมาสังฉุดแปลว่ามีสติไปในกาย ถนความพอใจแล้วคงไม่พอใจในโลกเสียได้มีสติปัญญากายถอนความพอใจและความไม่พอใจมันเกิดขึ้นได้เวลาเราไม่เคยเห็นกายมันก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจมันไปเห็นจิต ด, ด้วยเอาไปถึงจิตแล้วไพอใจไม่พอใจเกี่ยวข้องกับกายอีกที่ว่าตลาดนัด มาฟรีมาให้เห็นเป็นลาบอันหนึ่งอันนี้ก็มาหเห็นอีกง่ายง่ายบาทีก็สุขทุกมาให้เห็นเรียกว่าเวทนาบางทีก็ทรรมที่มันมีทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจความบ่วงของห อ, อนกวามเลยสงสัยความคิดคุ้งซ่ั้น ความสงบความผูงชาติเกิดขึ้นได้อย่าหลงให้รู้ไม่ชำนาญในความรู้มาหาที่ตั้งเอาไว้ทําให้มันเป็นหลงที่ใดรู้ที่นั่นทําให้เป็นทุกที่ใดรู้ที่นั่นทําให้เป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้รู้ที่นั่นทําให้มันเป็น อย่าปลวเหตุเราผลลราไม่ทาไมสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนในสุขเป็นตัวเป็นตนในทุกข์ไม่ใช่ศึกษาไม่ใช่จต่หลงไม่ใช่ย้อยไม่ใช่ละความชั่วไม่ใช่ทําความดีไม่ใช่ลกจิตบริสุทธิ์ไม่ยังไม่เป็นศิ่นเป็นสมาธิเป็นปัญญาศิ่นสมาธิปัญญามันมีสตินั่นแหละตั้งต้นจากนี้ สติจะเป็นตัวทําให้ศิ้นเกิดสติจะทําให้สมาธิเกิดสติทําให้ปัญญาเกิดความรู้สึกตัวเป็นมันดาของความถูกต้องทั้งหมดความหลงเป็นความมันดาของความผิดพลาด ท, ทั้งหมดมันก็แยกกันเท่านี้เจอกันเลยต่อหน้ากันเลยตาต่อตากันเลยพอทําทใหม่ๆมันก็ทังเหียุความหลงกวามรู้คู่กันไป มันบอกแล้วนะั่นแหะศึกษาแล้วศึกษาคือถ้าหลงแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้แล้วศึกษาแล้วถ้าหลงเป็นหลงเป็นการบ้านยังเรียนไม่จบยังไม่ผ่านต้องเรียนช่อมชั้นให <c oughs> ้มีเกรดดีหลงก็ไม่ได้ประโยชน์กับความหลงถ้าเราศึกษามีเกรดดีความหลงเป็นความรู้ไป ทำเรืน่นี้เรามาทําเรื่องนี้ไม่มีใครทําให้กันได้บอกกันก็ไม่ได้ตะโกนบอกกันก็ไม่ได้มันเป็นปัจจตตังของใครของมันเกิดขึ้นมาเองหลงคนละวาระหลงคนละหน้าที่สึงที่เราหลงคนอื่นจะไม่หลงที่เราทุกคนอื่นจะไม่ทุก สิ่งเราพอใจคนอื่นจะไม่พอใจสิ่งที่เราไม่พอใจคนอื่นจะยมเป็นปกติเราจึงถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจเป็นรดชาติของโลกแต่โลกต้องเป็นไปแบบลั่นหลงเป็นหลงยังเป็นคนอยู่ถ้าหลงเป็นลูกเป็นมนุษย์ขึ้นมาอ้วพวกชาตินี้เป็นมนุษย์ ตุกเป็นทุกเป็นคนสุกสุกทุกทุกเป็นคนปนเปกันตายมนุษย์เขาไม่สุกไม่ทุกข์เขาเห็นสุกเห็นทุกข์เรียว่ามนุษย์ปฏิบัติมันทุกข์มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์เป็นพระเป็นพระประเสริฐที่สุด ก็ชีวิตอะไรทั้งหมดไม่ใช่เป็นอินเป็นพรมเป็นเทวดาอินพรมพ่อเทวดาก็มาไหว้พระพระเจ้าผมมอนางเทวดาองศาถางดวงฤมศวติอะไรเช้นเจโตมราศิกาอะไรต่างมาไหว้พระเจ้าเป็นพระป ร, ระเจรติจุดบัสเซิลพระไปว่าประเซิล มันอยู่ที่ไหนเห็นทุกออกจากทุกคนทุกมีมุมดคนทุกไม่ทุกเป็นพระบัดเสดแล้วก็ทุกเป็นทุกสุขเป็นทุกเป็นคนอยู่มีภพภูมิมอะไรจะตรงนี้น ก, กันบางทีถ้า ทุกเป็นทุกเป็นคนแล้วไม่พอมักจะตกตรวโลกเป็นเปรเป็นสุลกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปต่ำลไปอีกอัปบายไปอีกไม่จเจริญไปอีกเป็นภูมิที่ไม่จเจริญเนาอัปบายเหมือนอยู่ปากเขียวตรีโอกาสตกลงไปถ้าทุกเป็นทุกถ้าไม่ออกมาชั่งหน่อยเหมือนเราอยู่ปากเขีว เห็นทุกข์ก็ออกมาในเห็นงูพิษแผลแม่เบี้ยจะเข้าไปออกมาอ่านออกมาหรือว่ามีปฏิปทาจนพ้นจากงูหรือว่าพ้นแล้วประเสริฐแล้ววอดภัยแล้วไปอยู่ที่ไหนไปปลอดภัยอะไรอ้อนวอนอยู่ที่ไหนไม่มีการกระทำจงหัดทำให้มันเป็น เป็นส่วนตัวของใครของมันช่วยกันมาได้พบภูมเนี่เราอาจจะดีมาบุญเกิดแตจจะมีมาแล้วมาเป็นมนุษย์นี่มาเป็นชีวิตนี้ตัวบุญเกิดมาแล้วอยู่ในทางสี่แพ็จะไปทางไหน จะไปสวรรค์จะไปนิพพานหรือจะไปนรกจะไปสวรรค์เดินผิด <Okay. S 2> เดินถูกไหมเหลือวกวนเป็นวัฏฏะทุกแล้วทุกออกกดแล้วกดออกตายลอกเรื่องเก่าเอามาทุกมีใจ ลอบาปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอรอยบุญเกิดมีแล้วทุกคนนี่ฉินไม่ทำภัยเรามาเกิดมาหนี้ได้ถ้าคนมีบาปไม่มีโอกาสมาแบบนี้เราไปต้องบุญสร้างสร้างเอาวตารบุญเกิดมีแล้วมาสร้างเอาขาแขนมนุษย์สมบัติสมบูรณ์แบบ ไม่มือไม่แฉนมือบางไว้เขายกเปิดขึ้นพลิกเปือขึ้นรู้สึกนั่นแหละมนุษย์สมบัติทำเอาเอากายมาผิดความรู้เอาใจมาผิดความรู้มาสร้างเอาหลอสร้างบุญทำบุญเอาทำบุญเอาเราก็ทำบุญให้ แจกของส่งตกเกียงเนี่ยงคนทต้องลูกให้คนมีความสุขให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขสรระสิงต้นไม้ภูเขาแม่ล่าแผนดินอากาศมันดีเพราะคนดีบาดีอยู่ที่คนคนดีคื่อไหนคนดีอยู่ที่เราที่มาหาเราเนี่ย ถ้าทุกคนต้องต้นจากตรงนี้ก็ดีง่ายที่สุดเลยแป๊บเดียวเลยถ้าคนไม่ดีตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เจือกลองความเป็นธรรมความเป็นธรรมอยู่ในตัวเรามีไหมความหลงกับมไม่หลงอะไรเป็นธรรมเลือกเป็นไหมความโกรธความไม่โกรธอะไรเป็นธรรมเลือกเป็นไหมสร้างความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นเจอเราบ้างไหม ความโกรธเป็นธรรมหมายก็ไม่โกรธเป็นธรรมหมายตั้งโต้ตรงนี้กันความทุกข์เป็นธรรมหมายคกมไม่ทุกข์เป็นธรรมหมายเลือกตรงนี้ก้าวแรกมันจะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นมันทําได้จริงๆเรื่องเนี้ยปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ ควรเชิญให้มาดูมาดูควรประกาศให้มาดูเรียกให้มามามานี่ที่นั่นเป็นมีน้ำที่นี่ไม่มีน้ำพระเตริตะคาถายอยปติตังนานบาขมยปะปฏิตังเชนาคตังบุคคลไม่ควรชามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดูอะไร ไม่ควรอย่าไปคิดอะไรไกับสิ่งที่ร่วงไปแล้วบางทีเอาความโกรธมาคิดเราก็โกรธอีกเอาความทุกข์มาคิดก็ทุกข์อีกอะไรหรืออะไรความโกรธอะไรความทุกข์ไม่ยอมปลยอนาคตก็ยังไม่มาเถียงทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันนี่เทำได้น ที่ทำไรได้นี่นั่งอยู่นี้หายใจอยู่นี้กายอยู่นี้มันหลงก็รู้นะทำเอาปัจจุันั้นจะทําให้มันแจ่มแจ้งความหลงอยาให้ความหลงไปโง่หลงให้มันแจ้งขึ้นมาตายเป็นคนรู้ไปแล้วปัญหาเป็นปัญญาไปแล้วพึกคัดอย่างนี้ ไปรปก่อปัญ ก, กรรมไม่มีแรงไม่มท่วมอาชีพฉิบขาและทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตของพวกเราชีวิตเนี่เป็นชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ชีวิตคือร่างกายเลือดเนื้อชีวิตจริงจริงมันไม่เป็นอะไรไม่สุขไม่ทุกข์คือชีวิต ถ้ายางสุข่องทุกข์ยังไม่ใช่ชีวิตบางทีอากายเอาใจมาเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เอาคิดไปห้อยไปเขียนไปกับสุขกับทุกข์อยากได้มีสุขทุกข์ตามไปวิป่งหนีความสุขทุกข์อยากได้ความสุขทุกข์วิ่งหนีจึงมาเห็น ให้มันเห็นทั้งสองอย่างไม่พอใจและความพอใจความไม่พอใจถอนออกถอนความพอใจและความพอใจในโลกออกสาไปได้คีพเลี้ยงจิตวิญญาณวิญญาณจะเหนือการเกิดเจ็บตายชีวิตจะเหนือการเกิดเจ็บตายไม่มีพภกมีชาติ เป็นชีวิตที่ปลอดภัยไม่มีภัยแล้วก็ข้าวแรกคือตรงนี้เปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่ยอย่าตะคุบหน้าตะคุบหลังอย่าประเมินทำได้ทำไม่ได้เอาได้เป็นตัวตนเอาไม่ได้เป็นตัวตนเอาผิดเป็นตัวตน เอาถูกเป็นตัวตนมาใช่แบบนั้นปฏิบัติธรรมให้เห็นถ้าไม่เห็นไม่หลุดพ้นถ้าเป็นเราไม่หลุดพ้นถ้าเห็นเรามีโอกาสาหลุดพ้นเก้าเอกเก้าแรกก็พ้นแล้วออกไปซะไม่หลงอีกแล้วเราพ้นไปแล้วมีการกระทําประคดแบบนี้ ไม่ใช่ลู่ไม่ใช่สอนเรื่งลู่ควงมลู่ใครสอนเราก็ได้แต่ทําให้เป็นที่ไม่มีใครสอนทาเอาเองมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลู่เอาเองมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เอเองมันโกรธเปลี่ยนโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเป็นเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเอาเองะ มีงานแบบนี้งานเลี่ยงชีวิตแบบนี้ชิขาเล่ทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายชิคาคือจะหลงย่อยอันหลงย่อยออกจะให้หลงอยู่ในกายมันหลงกลายมันจะเป็นตัวเป็นตนย่อยออกไม่ไปอยู่ในภพชาติกลุ่มกำเนิด สติเป็นเจ้าขงกำเนิดของพบชาติไม่มีกาเนิดให้เกิดไม่จะลูกแล้วไปแทนที่เธอก่อนไม่คงหลงไปเจ้าบ้านเจ้าเรือนง่ายที่จะหลงต่อมาเม่าเราฝึกกายที่จะลูกเป็นเจ้าของ เจ้าของชีวิตต้มหลงไม่เป็นเจ้าของชีวิตคุ้คมรายคุ้มดีมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างไงนั่นเล่าอันทรายเราต้องมั่นใจถ้ามั่นใจมีสติมั่นหลง จะเป็นความยิ้มยิ้มเยี่มยิ้มักหน่อยสดชื่นสักห่อมันทุกจะมีความยิ้มเยี่ยมจักหน่อยเพราะมันเห็นเห็นแล้วเหมือนเอารถไปช่องเขาเอ็กซเรยเห็นแล้วจุดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิ้มล่ะมีโอกาสสาเร็จเอารถไปปะยางยังมันลวก เขาเอาางไปแช่น้ำโขกลมมันก็มันก็ลมมันออกเห็นน้ามันบอกว่าตรงนี้เขาไปดูก็มีรอยตะปูเขาก็เห็นแล้วก็ช็อกฉีดไยลงมือโองสำเร็จได้เงิน้อยบาทเพราะมันเห็นถ้าไม่เห็นมันไม่สำเร็จ เห็นทุกนะนะาดะอริยสัจคืออะไรเห็นทุกนั่นเะหมือนหมอรักษาโรคเห็นโรคไม่ได้ใช้โรคเห็นโรคต้องมีอะไรเครื่องมือหลายอย่างโรคของโรค ต้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ว่าศาสตร์แห่งพุทธไม่มีเครื่องมือแบบนั้นนี่แต่สติเข้าไปเลยอะไรที่มันปัญหาเกิดกับกายกับใจต่ว่ารักษาได้แต่ทุกข์แบบนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปะทิในพานทำมันจบทุกข์จบไปแล้วหลบลิพานไปแล้ว มันก็ทานไฟมันมอดไปแล้วไม่ร้อนเีกยแล้วเย็นชะเนแล้วเรียกว่าอาเศษข้ามทำทำที่ไม่กําเริบแล้วถ้าเป็นเศษข้าวทําทีท่เราไม่กาเริบขึ้นอีกก็ได้ <c oughs> ยังมีไออุ่นทานไป ย, ยังอุ่น อาจจะลายองศาอยู่มอดแล้วไม่มีเชื้อแดงๆไม่มเปลวแต่ไม่ไอาุลเมื่อไปรวมกันเข้ามากๆก็กันเป็นเชื้อเพลิงขึ้นก็ได้ดกว่าเสรรมทรทมจะต้องศึกษาเรื่อยไปโยู่หลังกาสมัยนัพุทธญาณวัดป่าพุทธญาณ ตากันไปเผาถานในทางหลวงเขาทำทางเห็นไหมเจกะอยู่ตามทางในใ น, ในหน้าวัดเขาไถมากองกันไว้หน้าวัดเลยไปตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ น, น้อยๆมาเผาถานเผาถานแล้วก็ มอดแล้วไว้เก็บมาไว้ไต้ถุนฉลาสวลาก็ต่ำกว่านี้เอามาว่างไว้ต้องต้องไต้ถุนฉลาทางพระประธานอยู่นีนี่ก็ไปนอนอยู่ในกติมันก็ไกลเหมือนสลาหัวใจไม่มีใครนอนทีนี้คือฉลาหน้า ดังคืนมาก็ทานอยู่เที่ยงก็อุ่นขึ้นเกิดเป็นเปรวขึ้นมาเป็นเปรวขึ้นมาร้อนตรงนี้เทียนที่อยู่ตรงนี้เยอะแยะย่อยลงไปเป็นเชื่อเพลิงอย่างดีลุกขึ้นไหมพระไม่รู้เรื่องเพราะอยู่ไกลมันก็เรานอนอยู่นี่ชลายอยู่โน้นแล้วชาวบ้านก็ไปดูหนังกลับมาเห็น ปล่อยลุกอู่ที่ฉลาเขาไปดูเลยไฟไหม้ฉลาราวบ้างก็มาดับมันก็ไม่มีดับไปได้มันหมดไปแล้วมันจะมีไออุ่นที่ว่าเศคารรมบางทีแล้วก็บรรลุธรรมชั้นใดชั้นหนะึ่งเป็นโสดาปฏิมสจิทาคามิมายังมีโอกาส ร้อนขึ้นมาก็ได้ไม่เย็นสนิท ด, ดังไม่นิ่พานนิ่พานไออุ่นอุปเทเฉเฉเนิ่นพานไออุ่นอุ่นอนุปเทเฉนิ่พานเย็นสนิทเจกะธรรมะเฉขาธรรมะในว่าเฉขานาเชกาธรรมะเคยได้ยินไหม พระสวดงานศพสวดทุกคนตายหรือเราไม่รู้พระสวดทุกคนตายไอ้โคกกลงตั้งใจเด้อพอเด้อแม่เด้อเอาป่นเด้อที่แท้ไม่ใช่ท่านไปบอกคนนั่งอยู่เนี้ยไม่ใช่ไปสวดให้ศพอืม เจกัตธรรมาเจคัตธรรมาเนวะเจคานะเจกัตธรรมาพริตาธรรมะ ม, มหกตาธรรมะอภปมนาธรรมะปานตาธรรมะทมที่มันยังอยากทำที่มันปานิปานีามมาตาธรรมะตามละเอียดปานิลนะกิเลสอย่างละเอียดไปแล้วกิเลสจยางคลางกิเลสอยางหยากขัานสอนคนที่เป็นเปนเอาศกเป็นฉักขีพยายา อาจีรังมาตยังกายโยไม่สงสัยในร่างกายนี้เราจะเป็นเหมือนคนนี่นอนอยู่ในโรงนีไม่ต้องสงสัยไม่นี่ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เคยเป็นเหมือนเราคนที่ตายไปนคนเหมือนเราเราก็จะเป็นเหมือนคนนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยอาจีรังมาตย์อาว่าจงไงต่อไป อจีลังวัตจังกโย ο, ปะทะเ บ, บียงอดิเชสติได้ยินไหมเอ้าถ้าปันยาหมดแล้วจะนอนทับแผ่นดินอาจีลังวปะทะ บ, บีงอดิเชสติจะนอนทับบนแผ่นดินเหมือนศพอันนี้สุดโตเป็นแต่ปัญญาโนเหมือนต้นไม้ที่ไร้ประโยชน์แล้ว เราเน่ต้องไม่ต้องสงสัยท่านเอาศพเป็นบอกให้คนไม่ตายดูโอเนี่ยเราจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เคยเป็นมันเราเราก็ต้องเป็นเหมือนนี้ตายเราไปแล้วนอนทับดินอย่างนี้ให้รู้รอดหรอเนาเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์แล้วเท่งไว้จะมีแต่ผุพังไปเฉย ก็พระไปชักบางสกุลได้เงินได้กีวอนาว่าทาบุญให้คนตายที่ชักบอกคนดีนะมีบุญทําวทำเุญแล้าซบุญคือมันเต็มแล้วมันมันเต็มแล้วมันว่างแล้วว่างจากความหมายห่งความเป็นตัวตนไม่เป็นอะไรแล้วบุญ บนสูงสุดเท่าวีาเป็นบุญไม่เป็นอะไรอีกแล้วว่างแล้วไม่มีตัวไม่ตนให้เป็นแล้วเอาร่อนเอานาวอสุขเอาทุกข์ เ, เป็นกูไม่มีแล้วไม่มีกูในสุขไม่มีกูในทุกข์อพอใจเมื่อพอใจไม่มีแล้วเป็นปกติาทานไม่พูาอนี้ไม่เพื่อ เต็มคือเต็มยเต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรเต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรว่างด้วยความเป็นอะไรตกทั้งสองอย่างมารรคคือเต็มแบบเต็มไปด้วยไม่เป็นอะไรเลยใจเป็นสุกไม่ไม่เป็นสุกเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พอใจไม่พอใจไม่เป็นไม่พอใจไม่พอใจแล้วเต็มไปเล้วว่างเรา นี่คือชีวิตชีวิตแบบนี้ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนาก็เริ่มในเห็นหลงพยายามรู้สุดตัวออกจากความหลงค้นจาความหลงไปแล้วมัดแล้วเห็นทุกออกจากทุกค้นจากทุกไปแล้วเห็นความโกรธค้น ออกจากควโกดธหุ้นจ้ากคงโกดไปแล้วมีงานแบบนี้เราทนะําน่ะาเจอหลงออกชาวหลงลู่หลงที่ไหนลูล่ที่นั่นไปแล้วข้าแรกก็แล้วมักแล้วมักแล้วมักแล้วเกว้าเลี้ยงเ น, นี่ยตรงไหนฮะทำไม่เก้าจะเข้าเหรอฮ่า <laughs> ก็ไปได้ต้องเปลี่ยนหลงเป็นลู่เนี่ยกล่าวแรก หัดข้าวให้เป็นลงนะอย่าไปทําไมทําไมทําไมทําไมไม่มีคําว่าทําไมนักปฏิบัติลบภาษาไทยสามนี่ออกทิ้งเลยนี่จะเห็นเห็นครับอาจารย์ของจริงมเป็นอย่างนี้ได้ยินเมื่อไหร่ฮะที่ปากันนั่งง่วงนอนอยู่นอนไม่เอี่มเลยเอา้าจบเท่านี้นะอารัพพ่องกัน